พระนั่นแ น, น่นจนทุวันทุวันนะมาให้ได้ไล่พระเวลามาแล้วให้ได้ไล่นะอย่าดื้อด้านนะพระนะมาดูพอทุกคนวให้ออกให้ออกนะมาที่ไหนจะให้ไล่ให้ไล่น้าด้านเหมือนหน้ารัฐบาลปัจจุบันนี้แล้วเกินว่าฟัทางที่ด้านต้องบอกว่าด้านทำต้องเป็นอย่างนั้น พระหน้าด้านต้อบอกหน้าด้านวงราชการหน้าด้านก็บอกว่าวงราชการหน้าด้านเดี๋ยวนี้มันด้านทั้งสองนะพระเราก็หน้าด้านนี่ ว, ะวะัดป่าบรรตาดีแหละมันหน้าด้านวงราชการกับวงราชการเมืองไทยนี่แหละมันหน้าด้านเวลาดีมันด้านจนมองดูไม่ได้แล้วนะ มันจะอะไรมาปกครองโลกมันด้านกาดนั้นผมยากมากินบ้านกินเมืองถึงถูกมาศึกษากวพอสมควรแล้วก็ต้องออกต้องออกสิมองเห็นหัวใจคนอื่นบ้างไหมล่ะหัวใจเจ้าของมันก็ไม่มองมันก็ไม่มองเห็นหัวใจคนอื่นสิถ้าเห็นหัวใจเจ้าของเราจะเห็นหมดนะเจ้าไปหมดเลยนะ อันนี้มันไม่ได้ดูหัวใจเจ้าของเดี๋ยวแล้วยังย อ, อ่ะอาจารย์จะแล้วจะให้พอร <c oughs> อ่าให้พรยา หาวัดวหาปุราปริรปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกะปาจานโทปนระโสยะฐาณิโชเต ระโสยะถาสพีติโยวิวัจจานตุสัพพโรโคมินัสตุมาเตภาวตมรรมาราโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาฒนสีริสนิจจงวุธาปจายโนจตารโอธรมมวาทานเตอายุวันโนสุขขังทะลัง ภาวตุสัพพมังคะ ا ا ลังราคะตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโจดีพระวันตุเต สมทุบทอดภาปลาทั่วชาติหลงตะบัวอ่า น, นโรงงานขอนแก่นเชียงใหม่วโรงงานขอนแก่นเชียงใหม่บริจาคทองคำจำนวนสามสิบบาทเงินบาทหนึ่งพันบาท มาจากอะไรเนี่ยนะมาจากโรงทานเหรอโรงท า, า, านขอนแก่นเชียงใหม่โรงทานอยู่ทางไหนล่ะเหร อ, <า>อ ทอ ง, ทองตกข้างทองตกค้างทองตกข้างอ๋อทองทองตกข้างอ oh ๋อทองตกค่างครับอันน uh ี้อีกหนึ่งบาทครบกับเสวครับอันนี้มาพร้อมทองหนึ่งบาทกับเช็คครับทองหนึ่งบาทกับเช็คเงอทองหนึ่งบาทเช็คห้าร้อยบาทายปใจภูมกับ ตอนรับลูกสาวเนี่ยมาได้ยอดถึงแล้วถ้าเคยบินมาตามเวลาก็จากสนะบินวันนี้เพียง20ิบนาทีก็ถึงแล้วทองคำมันที่3ามพฤศจิกายนทองคำได้1บาทดอนหน้์สามยี่สดอนเมื่อวานนี่นะได้ไปทุกวันทุกวั น, นเลย วันเล่นเครื่องวันพักเครื่องะทุกวันทุกวัน <c oughs> นี่มันทําไรเนี่ยทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวง 4,000 กิโลนั่นมอบแล้วฝากแล้วเวลานี้ 2,622 กิโลครึ่งจำนวนทองคำที่ได้มาใหม่ซึ่งยังไม่ได้หลอม 1,195 กิโล63บาท แปดที่แปดเปรนตารวมทองคำทั้งหมดได้สอง2ัห้าสองกิโลนะทองคำทั้งหมดไดสอง้2 2ห้าห้าดกิโลยังขาดทองคำาอีกหนึ่งเจดรอสี่สองกิโลจะครบจมวนสี่พันกิโลมีกรณาทราบไว้เป็นประจำทุก ว, วันทุก ว, วันเราได้ขึ้นมาเรื่อยเรื่อย สงันสองานเนี่ยได้สองตันกับสองรห้าสบองกิโลแล้วนะเรียกว่าได้ทองคำเป็นน้ำหนักสองตันกว่าแล้วสองตันกับสองห้อสองกิโลแล้ว <c oughs> ่นีอ่ อ, เ, อ, อ, น เ, อ, อเน่ยก็พอดีเออเงินกรถินที่เธนาคารสาหรับบัญชีธนาค บัญชีไทยพานิชย์อุดรนีเมื่อเช้านี้อ่านดูสมุดฝากน้ำได้ได้สามล้าน6กหมื่นต่อจากนั้นน้ำไปได้ <c oughs> จำได้แต่สามล้านกับหกหมื่นนัเศษไปพันอะไรทั้งจำแต่หัวใหญ่มีสามล้านทองคำที่ก็ไอเงินกระถินเพื่อทองคำเงินกรถินเพื่อทองคำ นี่ในสมุดที่ฝางนี้เราจะเอาซื้อทองคําทั้งหมดทั้งอยู่ทางกรเทพทั้งอยู่อุดรเงินนี้จะไม่แยกไปไหนเลยจะเข้าซื้อทองคําทั้งนั้นมีนเวลานี้ที่อุดรได้สามล้านหกหมื่สามล้านหกหมืนเสร็จทอะไรนี่นี่จะเงินก็ถิ่นในธนาคารเงินก็ถิ่นเราจะเอาเข้า ซื้อทองคําทั้งหมดทั้งอยู่ทั้งกรุงเทพทั้งอยู่อุดอรเนี่ย <c> ม <oughs> ันก็ได้ไม่ต่ำทัทง้งทั้งกรุงเทพก็ด้วยหกสามล้านนะทั้งกรุงเทพก็สามล้ า, ลานเวลานี้อุดอรก็ถึงสามล้านแล้วสามล้านหกหมื่นทยนี้นอนแล้วเรียก ว, ว่าหกหกล้านแล้วหกล้านนี่ห ทองคำงกองนะนูนก็จังกว่าห้าตี้โอยนะเดินครับเดินนะถ้าหกล้านก็สิบกิโลนะครับต่าสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลครับกิโลนึงมันประมาณสามแสนแปดนะครับถ้าสิบกิโลก็สามสามล้านแปดสามล้านแปดนี่มันต้องสิบล้านนะสิบ ล, ล้านมากกว่านั้นหนิหุลล้านกว่า มาสิบสิบหกสิบเจ็ดกิโลครับผมตาฮะได้ถึงสิบหกหรือสิบเจ็ดกิโลถึงนั่นเหรอครับหกล้านถึงครับหล้านนี่ได้ถึงเทก่ิโลสิบหกฮะสิบหกถึงสิบเจ็กิโลสิหกถึงสิบเจดกิโลเนาะราจะจบเข้่มไม่ื่อนะคือน้องหลายทราบ หัวใจหลวงตานี่อุ้มชาติไทยอย่างหมดไรหมดพุงเลยนะเราไม่อุ้มเรื่องเล่นะอุ้มชาติไทยนะเรามีอะไรจะพยายามพยายามตลอดเพื่อจให้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วกให้หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเช่นทองคํานี้เป็นส่วนใหญ่เรียกว่าชีวิตของชาติไทยเราเรคือพยายามหมุนเข้าหวทองคำตลอดเหมืนน่องนั่นแล้ว ให้มันตะเกี่ยบตะการไป ต, ตามๆกัน่วงเงินสดคือที่จะหมุนเวียนช่วยชาติสว่วนที่จำเป็นจริงๆก็คือทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาตินี่เราเราต้องหวนมากและจะแหลงมากด้วยนะ <c oughs> ต้องพยายามพยายาม จะยิงเข้าไปหาตองคำต้องคำในห้าสิบกว่าล้านเนี้ยก็ไปทองคํห้าห้าเยแล้วนะท่าเทียวนะ น, นะะห้าบเดห้าสิบเต่ากห้าสิบกว่าล้านอันนี้าก็แยกโ้นแยกนี้เราก็จะจำหมุนข้อหาต้องคำนี่ก็แยกมาตองคา นสิบห้าเดลอวเป็นเงินห้าล้านเจ็ดเจ็ดห้าลา้านเจ็ ด, ดไปไปแสนสองพันยี่ยี่สิบแปดบาทละวันนะเ น, <c oughs> นี้ยเนี่ยกับเงินจานวนห้าสิกว่าล้านเนีที่อเอามาเป็นผู้นำบาผู้นำประถทงนี่แป็นอกจาก <c oughs> น, นั้นก็ยังจาเข้าเอาเข้าไเรื่อยอ่ะส่วนแสนร้ยร้านนั้นเรียกว่าขาดตัวไปแล้ว <c oughs> โน่นนั่นจังสมาติยามตีเข้ามาตีเข้ามาเ <c oughs> ขาขายไม่สองพันกว่าเ้าเรียกว่าสองตังกว่าแล้ว ถึงสี่ตันสี่ตัน ก, 4, เก็เรียกว่าสี่พันเดียวแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะย้อนกว่านั้นไม่ได้เลยนะต้องอ่อยเข้มแข็งทุกคนทุกคน ย้อวมาววถึงแปดโมงครึ่งถาธรรมดาถึงแล้วนะถึงทีง่นี่แล้วยังไม่ยังไม่ถึง ประกาศชูน้องทราบอันนี้เทียงเกินเกินหรือว่าความมุ่งหมายของเราหรือความพอใจของเรานะที่นำพี่น้องชาวไทยชาวเนียดรอทองคำอย่างน้อยให้ได้สี่พันเโลอันนี้ว่าเด็ดขาดเลยสี่พันเจโลนี่ขาดประจัญจหนูไม่ได้นี่เรียกว่าเด็ด รถตระมานพันกว่านั้นไม่ได้เลยอาจารย์นั้นเราก็จะพยายามให้ได้ให้ตั้งสี่พันกิโลขึ้นไปได้เท่าไรมากเข้าไปล้ <c oughs> เราก็พอใจพอใจ <c oughs> จุดที่เราพอใจจริงๆในการช่วยชาติชาวนี้นั้นชาได้ชงคำหนักส0บตันหรือหมื่นกิโลเราห <c oughs> ล, ลับไปเลย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรหลวงตานี่พ <c oughs> อใจจริงๆนะ ท่า น, นี้ใช้ทองทองคำสิบตันในการช่วยชาติพร้อมกับพี่น้องชาวไทยเราทั้งหมดเนี่ยได้ทองคําเป็นชื่อเป็นชื่อหรือของชาติไทยเราน้ําหนักสิบตันนี้เราพอใจเต็มที่เลยในระยะนีะ้เราก็พอใจเป็นระดับแต่ถ้าเป็นรับทานก็รับทานแต่ยังไม่อิ่มเข้าใจไหม หวานก็ใส่มาข้าวก็ใส่มาทองคำใส่มาเงินตดใส่มาดอนล่าใส่มากึ้มเขาไปใส่เข้าไปแต่มันยังไม่อิ่ ม, ม ท, ที่จุดอิ่มในการช่วยชาติเท่านี้นั่นแหละให้อะไสิบตั น, น สิบตันหรือหรือหมื่นกิโลเหรอครับจุดต่ำหมื่นกิโลเอ่อหมื่นกิโลนี่เราขอใจจริงๆเป็นเป็ น, เ, ปนเรียกว่าความรู้สึกของเราจะดูในถูกนั่นเต็มเหนียวแต่จะได้เท่าไรก็ยล้วแต่บนจากกรรวาฒนาของเราแต่ความต้องการของเราที่ช่วยชาติแถานี้เพื่อให้เป็นเชื้อลึกสาคัญกับเครื่องช่วโลกต้องให้ได้สิบตันด้างนั้นนะถ้าจุดตันนั่นับไหลไปเลยไม่มีอะไรแล้ว ไม่ต้องอะไรมาคุชลาเราทองคําหนักสิบตันหนึ่งหมื่นกิโลนี้พุสลาเราพอแล้วสนใจไหมเราไม่เอาอะไรแล้วเพราะเราช่วยชาตานี้เราช่วยด้วยความบริสุทธิ์จรงบริสุทธิ์ใจจริงๆเมตตาจริงๆนะเพียงน้องหลายกรุณาทราบนะเรียกว่าเราไม่มีอะไรเลยเราพอทุกอย่างแล้วฟังดิ ทำนี้เป็นที่เราถลายเข้าใจว่าหลวงตาบัวโ อ, อ, อ้อวดเหรอถามว่าโอ้อวดคำไหนขึ้นมานั่นแหละหมามันเห่าออกจากถังขยะมันเห่าฟ้าเข้าใจไหมเราไม่มีอย่างนั้นเลยเรื่องโรคสมมุตินี้ไม่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่นําออกมาช่วยโรคนี้เลยทำบัพเพิ่มนี้ไม่มีไหนมาพูดจะเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นนั่ง น, นั่งไม่มี กูจะคุยเกี่ยกวกขุดค้นมาจอธรรมประเภทอจจัศจรรย์ล่นโลกล่นทงสารเหนือโลกทงศารก็คือท่านเหล่านี้เนะี่ยท่านขุดคุยเกี่ยกวกขุดค้นออกมาประกาศสอนเรานี้เราก็พยายามเต็มกำลังความสามารถของเราถึงขนาดที่ว่าเฉียสบสรุเฉียบสรบมาตลอดเรื่องความเทียมของเราไม่สรุปเราก็บอกไม่สรบเสียงเฉียดเสียดไป จนกระทั่งถึงขั้นเป็นที่พอใจท่าดินถล่มดังที่ว่านนเป็นที่พอใจก็จ่างแจ้งหมดหายสงสัยในสามเดรัฐานซึ่งเป็นโรคแห่งเรือนจำวัฏจักรทานไปหมดแล้ววันนี้มองมาดูโลกดูสงสารความเมตตานี่ครอบเป็นหลักธรรมชาติไปเลยแล้วจะดึงภูเขาทั้งลูกเนี้ยมันจะไหวหรือไหวหรือนั่น ท, ทั้งความเมตตาขนาดนั้นต้างเกิดความท้อใจที่จะสุดจะลากธรรมชาตินั้นเป็นยังไงแล้วทังขยะถังมูดทังคูดในวัตถจักนี้เป็นยังไงนั่นเทียบอะไรสิเกิดมาเราก็ไม่เคยได้คาเดเลยวีว่าจะเจอกันเป็นอ ย, อย่างนี้อย่างจังๆในหัวใจสของเองก็จะเจออย่างจังๆตั้งแต่บัดน้มา นันละนิพานเที่ยงจึงไม่สงสัยเที่ยงที่ตรงไหนไม่ต้องมีอดีตอนาคตมายุง่งอดีตอนาคตต้องมีความเสื่มความเจริญความเปลี่ยนแปลงองันุกรรมพันธุตาติดตามไปธรรมชาตินี้เหนือหมดแล้วประจักษ์ไม่ต้องถามใครสันทิ่ทีโกสุดยอดแห่งธรรมคือรู้เองเห็นเองประจักษ์ใจเท่านั้นทองนี่ค จากนั้นมาก็ได้มาช่วยโลกช่วยสงสารเต็มกำลังความสามารถของเราเฉพาะอย่างนีงการช่วยชาติเท่านี้รู้สึกว่าสมบูรณ์สมบันเรานี้มอมแมมไปด้วยก็ได้ไม่สิดนะเพราะธรรมชาติเรานี้ไม่ควรที่จะมาคุกเข้ากับสิ่งสปกปรกโสมมนี่เราก็ดึงลงมาดึงลงมาคุกเข้ากับมูดกับพูดกับสิ่งสปกปรกโส ม, มสัิงเลวร้ยวายทั้งหลายที่มันเต็มอยู่ใน โรคสมมุติหรือวัตจักอันนี้แต่เฉพาะอย่างยิ่งเต็มไปในเมืองไทยของเรา <c oughs> <c oughs> อันนี้มันจะมีตั้งแต่นั้นแต่อย่างเดียวมันต้องมีปัญหาอะไรก็เป็นคนละฝ้าไปเลยไม่ยุ่งเท่านั้นทาเดียวพอแต่นี้สิ่งที่เป็นสาระคุณเป็นประโยชน์มันก็แทรกอยู่ในมูดในพูดนั้นน่ะเนี่นไม่ใช่เป็นมูดเป็นคูดอย่างเดียวเป็นความเจ้ากเป็นความเรวร้าอย่างเดียว แม้สิ่งที่มีคุณค่าถึงขั้นมหาศาลก็ไม่อยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นเมื่อไปทำงานมันก็ต้องคุยเสี่ขุดค้นหาสิ่งเหล่านี้แหละนี่แหละถึงได้มอแมแรมอื ม, มก็เทือนไปทั่วประเทศไทยดีไม่ดีก็เชือนทั่วโลกอืมแล้ก็พูดเข้ามาให้เต็มเน็ั่วหัวใจของชาติไทยก็คือรัฐบาลทางโลกไปอย่างนั้นหัวใจของชาติไทย อันลึกซึ้งจริงๆก็คือศาสนาที่นี่ศาสนาจึ่งเป็นของสะอาดสุดยอดกับธรรมชาติที่เรวรลไลที่สกรปรกสมมุติที่สุดมันมาประจันบานแต่ต้องที่เราได้ประกาศกล้องทุกวันนี้ต่อทุกด้านทุกทางที่จะให้เข้ามาแตะต้องสิ่งที่เป็นสาระคุณในชาติไทยของเราเร า, เราจึงต้องปิดป้องหรือต้า น, านทานทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมมบางคนเขาก็บอกว่าเหลืองกระบัวอะไรอะไร เล่นกับรัฐบาลฟัดกับรัฐบาลรัฐบาลรัฐแบาลอะไรเล่ว่าหรือรัฐแบาลที่ไหนล่ะเราเล่นกับอะไรเราเล่นกับของสกะปรกต่างหากหึทารัฐบาลแปลว่าเป็นผู้รักษาประเทศชาติรัฐธาคือเล่นแย่งแผนประเทศชาติไทยของเราปาระแปลว่ารักษาเข้าใจไหมนีออกจากภาษาบาลีก็มันเป็นมหาเนี่ยวะแปลไม่ได้ยังไงยกออกมาบ้างสิมหาน่ะเรียนมาทําไมหอ พอพูดของป้าเป็นภาษาบลีจะเข้าใจสันทีทันทีแล้วภูมิมหาเป็นอย่างนั้นนะอนอกจากไม่พูดนี่รัฐบาลมไม่เคยมีใครพูดใครแปลมาแล้วแปลให้สั่งแปลผู้รักษาประเทศชาติหรือเล่นแร่งแร่งแง่เนีเ่ยประเทศไทยของเราเนี่ยรัฐบาลเป็ผู้รักษาถ้าเป็นผู้รักษาจริงๆเพื่อการบำรุงทขารถนอมจริงๆรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลเต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้ากวงข้ามแล้ว มันก็เป็นรัฐกลืนรัฐกินรัฐกองก่อสิเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายก็บี้ชาติบ้านเมืองให้ร่มจนไปด้วยนั่นมันก็เป็นรัฐบาลไม่ได้สิอย่างนั้นเราจึงแปลงมาให้รู้สั์ของรัฐบาลแปลว่าอะไรนี่ที่ต่อต้านกันอยู่อย่างนี้ก็คือต่อต้านในสาระสำคัญที่มีอยู่ในชาติไทยของเราไม่ใช่ใ น, น้อยจำนวนมากมายทีเดียว กับสิ่งกระโปรงสอมมเหมือนอย่างว่ามูดอันห น, นึ่งเนี่ยมันปาเข้าไปตรงไหนเนี่ยมันจะสกระปรงแล้วไปบวชจรนั้นเหมือนว่าจะไม่มีราคาต้องปัดต้องชาต้องล้างออกเนี่ยการชาติกันล้างออกก็คือการโต้อตอบทุกสิ่งทุกอย่างต้านทานทุกถึงอย่างที่มาเป็นภัยต่อุสาระคุณทั้งหลาย น, นั่นเองไม่ใช่อะไรแล้วไม่ได้ไปมาเป็นภัยกับใครนี่นะทําประเภทนี้ไม่เป็นภัยกับใคร แต่ทิ้งที่อะไ ร, ะไรที่มาโจากระปุกสมบมต้องปัดต้องก้างต้องปั ด, ต, ปดต้องกวาดต้องเทสต้องล้างออกมันก็มีเท่านั้นเองเรื่องราวไม่มีอะไรพาเราไม่มาเป็นเป็นภัยกับผู้ใดในหัวใจเราไม่มีเราก็บอกเราไ ม, ม่มีแล้วมันก็มาเกี่ยวข้องจนได้อย่างนี้อาจจะว่าไงพ อ, อเราอยู่ในวงการรักษาเต็มเหนี่ยวซะด้วย นำสมบัติพี่น้องชาวไทยนับแต่วงกษัตริย์ลงมาเข้าสู่คทางหลวงทางที่นนะกทางหลวงคืออะไรก็คือหัวใจของชาติถ้ามันเกิดอุปสรรคเกิดขีดขวางอะไรขัดข้องอะไรมันก็ต้องอะไระต่อต้านกันเป็นธรรมดานี้จะว่าหาจะว่าเร า, าเกิดเรื่องกับอะไรเราไม่ได้เกิดเรื่องราวทั้งหลายมาเกิดกับเราต่างหามาเกิดกับสารประโยชน์แห่งชาติไทยของเราต่างหา เราเป็นเจ้าของสมบัติแห่งชาติไทยทั้งชาติพร้อมตั้งคนไทยทุกคน62กว่าล้านคนนี่เป็นสมบัติของชาติด้วยกันทท่านั้นมีคุณค่าขนาดไหนทําไมจะไม่ปิดไม่ป้องทําไมจะไม่รักษานั่นเรื่องการปิดป้องการรักษานี้เป็นเป็นเรื่องชีวิตเราเกิดเรื่องกับอะไรเหรอเราไม่ได้เกิดกับอะไรอันตรายต่างหากเข้ามาทําลายสารคุณแห่งชาติไทยของเราเราที่อยู่ในถ้ำกลาง จ, จึงต้องไปช่วยปิดช่วยป้องช่วย ต้านทานเนี่ยมันพี่น้องหลายทราบเหรอน่ายังไม่ทราบนะถ้ามันโง่จนเกินไปสําหรับหลวงตาบัวจะตายแล้วนะช่วยชาติบ้านเมืองทุกด้านทุกทางเอสมบัติเงินทองก็เข้าไปอะไรที่จะเข้ามาเป็ น, านตาตรนี้แล้วก็ปิดก็ป้องต้านทานทุกแง่ทุกมุมว่าไง <c oughs> ถ้าจะอ่าเราเป็นชาติไทยเต็มตัวแล้วต้องรักษาความเป็นชาติไทยของเราเต็มที่รักษาสมบัติไว้ให้ดี อย่าให้อะไรมาแต่ต้องทำลายได้สิ่งนั้นเป็นภัยทั้งนั้นสาระคุณเต็มในชาติไทยของเราอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะมาทำลายชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาต่างคนต่างปิดต่างป้องต่างปัดออกอย่ายินดีอยาคุ้นเคยอยาเสน่ห์สรมกับภัยกับสิ่งโสกบุกทั่วชาดิระเบเทั้งหลายนั้นจะเป็นภัยต่อชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาต่างคนต่างตั้งเนื้อต่างตัวเราเป็นชาติไทยเต็มตัวทุกคน สมบัติเป็นของชาติไทยทั้งนั้นจึงต้อง พ, งพยายามรักษา ด, ดว้วยทั่วหน้ากันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ด, ดว้วยกันทุกคนอย่าเห็นว่านั่นเป็นเรื่องของเขานั่นเป็นเรื่องของเราอย่า yeah เอามาคิดอย่างนี้นะเราเป็นเราคือคนไทยคือชาติไทยสมบัติทั้งหลายนี่คือสมบัติของชาติไทยเราต้องถืออย่างนั้นเหมือนอย่างบ้านนี่เป็นบ้านของเราสมบัติเป็นสมบัติของเราทุกอย่างป็สมบัติของเราใคร ม, า ย, ม, ม า, ายุ่งมาทาลาย เรากับสิ่ ง, งนั้นก็ต้องต่อต้านกันเป็นธรรมลาอันนี้สมบัติทั้งชาติคนไทยทั้งชาติเมื่อมีอะไรเข้ามาแต่ต้องทําลายจะจะไม่ต่อต้านกันได้ยังไงเราเป็นเจ้าของสมบัติมีอํานาจสิทธิขาดเต็มที่มีสิทธิที่เต็มที่ที่จะป้องกันสมบัติของตอนผิดที่ตรงไหนไม่ไม่ได้ผิดผู้ทะลึ่งต่างหากผิ ด, ดะผู้รักษาสมบัติผู้เป็นเจ้าของสมบัติไม่ผิดเจ้าของบ้านไม่ผิดโจรมาต่างหากผิดที่เข้ามาบุกรุก สมบัติเงินทองก็ของในบ้านของเขานะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นเอง <c oughs> เราได้พยายามเต็มกำลังแล้วหรอถึงว่าึงพูดถึงเรื่องทองคำถ้าได้ถึง <c oughs> คำวัดได้ดีละมัดหมาถจึงเอาวันนี้พรุ่งนี้นะเราพยายามในคราวนี้วางไั้คราวที่เราจะหมดสภาพธาตุขันปล่อยทาบุป่ยขันนี่ ในการช่วยชาติคราวนี้ควรจะได้ถ้าเป็นสิบสิบตันแล้วเราพอใจหลับไหลไปเลยก็ไม่เป็นไรเราพอใจสมความเสียสละของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาตินะเราเอาจริงๆเราไม่ได้ทำเล่นเพราะฉะท่านทั้งหลายดูเอากิริยาท่าทางของผู้นําพี่น้องหลายคือหลวงตาบัวมีท่อแทะอดแอร์ที่ตรงไหนดูสิขึ้นเวทีไหนก็ขึ้นเลยเป็นอย่างนั้น ไม่มีถอยอการช่วยต้องเป็นอย่างนั้นช่วยตลอดคำว่าถอยไ ม, ม่มีแล้วค่อยเก็บหอมรอมริบไปอย่างนี้เรื่อยๆล่ะให้เด้เข้ามสมบัติเข้าสู่กลางหลวงของเราอันนี้เรียกว่าหัวใจของชาติไทยเราเต็มตื้นขึ้นมาละคลองคำเลเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไป แล้วดอนล่าก็เพิ่มเข้าแล้วทองคำเป็นพื้นฐานที่จะหนุนชาติไทยของเราไว้ตลอดการซื้อขายการแลกเปลี่ยนเป็นเช่นพวกเงินดอนลา่าเงินไทยแล้วนี่ราคาก็แข็งได้อ่อนได้ขึ้นอยู่กับทองคำถ้าทองคำเรามีมากเงินไทยเราก็แข็งขึ้นนั่นเห็นไหมละ่ะนี่เครื่องหนุนนันมีอยู่นั่นถึงจะไม่ออกจ่ายที่ไหนไมันก็หนุนอยู่ในตัวของมันเอง ถ้ามันลดลงไปอย่างมันก็ลดตัวของมันลงไปนั่นเป็นอย่างนั้นแหะถึงต้องได้หนุนไว้เสมอ ชาทเราเป็นชาติมีศาสนานะมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีการเจ็บการรักษาไม่ใช่เรื่องซวยเสียร่ายอันนั้นเรื่องโจรเรื่องมาเรื่องไผ่เรื่องเบเรื่องมหาไผ่ที่จะมาทําลายชาติไทยของเราการเจ็บการรักษาการนำมัดระวงังการต่อต้านในสิ่งไม่ดีทั้งหลายเป็นเรื่องของชาติไทยทั้งชาติให้พากันคิดเข้าถึงใจทุกคนอื ให้ใหญ่เต็มตัวทุกคนในการที่จะรักษาสมบัติของชาติเราพร้อมกับชีวิตของชาติไทยเราอย่างนั้นถึงถูกต้องนะอย่าไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้ไม่ถูกแบบไม่เอาไหนนั่นจมแน่แน่ชาติไทยถ้าเป็นอย่างนั้นจมแน่ๆให้เอาเหมือนจอย่างมดแดงอยู่ในในลังมันเลเอาไปทดลองก็ได้เดินรูดแดงถ้าเราอยากเห็นฤทธิ์ของมดแดง อยู่รังไหนก็ตามมดแดงเอามือจ่อเข้าไปลองดูที่เราเคยทํามาแล้วนะนี่นไม่ได้มาพูดเฉยเฉยไปพูดไปทำหยอกเล่นทดลองมันไปยังไงและเอามือไปจอ่อจอโห้ยมันอยู่ตามรังคือรักษาลังตัวส่วนใหญ่เขาอยู่ในรังเขามีผู้รักษาการเข้าใจไหมตํารวจทหารเขาอยู่รอบลังของเขาเป็นห่างๆตัวนั่นอยู่นั่นตัวนั่นอยู่นั่นนะ น, นี่เขารักษารังเขา สมบัติใหญ่หลวงเขาอยู่ในลงนะแล้วเอามือจ่อไปนี่ตัวนั่นวิ่งมาปุ๊บวิ่งมาหามือแเราจะถอยหนีไม่มีนะพอเราจ่อเข้าไปนี้ตัวนั่นวิ่งเข้ามาปุ๊บจ่อเข้าไปตัวนี้ตัวนี้วิ่งมาปุ๊บตัวเพิ่แล้วพอเราจ่อไว้ไว้อย่างนี้แล้วไม่เคลื่อนแล้วเขาจะมาต่อตัวเองตัวขึ้นมานะตัวนี้ขึ้นมาตัวนึงขึ้นขึ้นตัวนี้ตัวนี้ขึ้นตัวนี้จะขึ้นเอากับเรานะจะฟัดกับยิ้มมือเราเข้าใจไ้ย <sh> ha um นะะั a, <sh> ่นเห็นไหมมดแดง มาตัวเดียวยังมาแล้วมาขึ้นหัวกันนะขึ้นหัวตัวนี้ขึ้นหัวตัวนี้น ต, นต่อกันขึ้นจะขึ้นฟัดเราเข้าใจไหมเรามือจ่อโอ๊ยกูทําเล่นเฉยเยสูเอาจริงเอาจังเราทีนี้เราได้ทําพิธีอีกนะอเลยทําเป็นวิธีไป อ, อไปจ่อรังมาแล้วก็ไปไปแตะแตะรังมันนะเพอแตกคือตรวจไม่เศร้าแล้วแต่ที่แตะออกมาหมดเลยนะในรัง เต็ไมไปหมดเลยนั่นเห็นไหมเขาต่อสู้เขาไม่ถอยนะอันนี้ลุ่มเลยนะลุ่มเราน้องกูทําเล่นเฉยๆแหละแล้วก็วางเลกูรู้แล้วว่าสูพ่อเพียงสมัครีกันดีรักชาติของสูดีนะนะเราพูดเล่นเขาเขาเขาจะว่าเราบ้าไม่บ้าไม่สนใจ <c oughs> อืมโอ้กูเห็นใจจนแล้วล่ะสูรักชาติของสูจริงๆนะพร้อมเพียวสมัครีสละสละตายทุกข์ ทุกตัวเลยไม่มีถอยเนี่ยมดแดง น, นี่ชาติไทยของเราก็ต้องให้เป็นชาติมดแดงต้องรากสงวนชาติไทยของเราสมบัติแห่งชาติไทยองเราอันใดไม่ดีจะเป็นอันภัยต่อชาติปัดออกทันทีปัดออกทันทีอย่าให้เขา้เขามาคุ้นให้มาสนิทได้จะจมได้น้ำมงไทยเราจาให้ดีนะ <c oughs> วันนี้พูดเพียงตอนนี้แหละ <c oughs> จากนี้ก็ให้พอ นี่อ hmm. ันน ah, ี ah, me, like, ้มาเรียงมุ่งกลับวะมาแล้วคับผมมาแล่ะครับผมอ๋อมาถึงแล้วใสเนี่ยดูด้วยไม่ได้ดูอะไรกะนแปดแปดมงยี่สิไม่ใช่ยี่สตอนเกือบสามสิบเรามองหายยังไม่เห็นเลสี่ห้าเหามมาสหสที่ห้าได้แล้วครับอ่าเออว่างอันเราจะเชื่อแบบแบงยี่สิไม่เชื่อแต่แปดโมงครึ่งเรมองดูยังไม่เห็นวะเออมาเดเออเาว่า ไม่ไี้พกนานนี่แต่<ม> ก, ก็ยังดีใจยอยู่ว่าไปทำวัดสีชมพูวัดดอกสีชมพูอ่ ะ, <c oughs> อะไรบ้างล่ะเดีย๋ยวการาบขอพรตรงตาก็อพอพอพอะไรเป็นรองประลัดกระทรวงมาณครเป็นเป็นรองประลัดกระทรวงเหรอเหร นี่อะไรอีกเนี่ยอ่านี่อะไรอีกต่ อ, อะไรอีกเนี่ยก็อืมนั่นนี่อะไรอีล่ะอืมนีมมนนน่อะไรอ๋อช็อกเลช็อกลดนะอ่าเช็อกล็ดอ่าันน่ะที่เดนี้ไปเป็นอะไรจะไปเป็นเป็นรองที่ดีกบางแล้วก็ไป เีือดไปเป็นรองปะลาดกระทรวงขนาดอืมแค่กันรักษาชาติบ้านเมืองของเราน่ะนั่นมาเราเรียนเนี่ยโอ้ทองคำเลยทองคตั้งโอ้สบาทน่นน่ะตนหนึ่งหนักเท่าไหร่เนี่ยสองบาทครับอบาทเหือเออนั่นแล้วเริ่มแล้วอันนี้สองบาทแล้วนั่นเนี่ยองคได้สองบาทแล้วเออเอาวาง่านันเลย นั่นขึ้นทุกวันทุกวันมันจะไม่ถึ ง, ง่งสิบตันนะฝน <c oughs> ตกที่ระยองระยาดเอาน้ำที่ไหนบึงไหนเก่งเท่าว่าเก่งเ อ, เอาบึงตรงไหนเก่งแล้วก็ทั่วหมวบึงเลยล่ะน้ำนะมันตกไม่ถอ ย, อยนี่วะ่ะอือหลวงพ่อเจ้าขาอะไรวันนี้วันพระคณะผู้นมบูญถวายทองหบาทและปัจจ อ, อีก 8,300 ันสารอเศษเจ้าค่ะอ๋อห้าบาทอันนี้สบาท เจ็ดบาทแล้วนะเนี่ย <c oughs> นั่นปัจจัยแปดพันกว่ 8, าแล้วอืมไม่ใช่นะนี่ต่อไปจะให้พรนะจะมีอะไรอ่าให้พรโอ้เราเราหนักมากจริงๆนะพี่น้องหลายก็ดูนาซ้ำนะ มันไม่ใช่เร่นอนัามาเอาเขามานั่นมาแล้วต้นหน้าสลาล น, น, นี่มันเฉล่ยนะเป็นหน้าสลาเฉล่นัน่นได้มาทุกวันทุกวันหน้าสลาหลังสลานี่มันตายหมดแล้วเราขี้เกียจไปกุศลาบันฑ์ไ่ใจไหมตั้งหลังสลานี่มันตายหมดแล้ว เราไม่เขี้เกียดกุสลามันเอาแต่หน้าสลาก็พอเอาหน้าสลากพอแล้วให้พรดิเอามาเยอเนี่ยต่อยอดจะพันต่อยอดเอานะั่นตยอดต่อยอดต่อใบต่อต้นต่อลำเรื่อยๆขยายเอาให้พอรยะถาวาริวะหาปูราภริปูเรนติสาคารัง เยวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปปรตเทะอิจิตังปัติตังตุมหังขิปเมวะสมิจฉาตูสเพภูเรนตูสังกปาจานโทปนณระโสยธามมิโชเตระโสยถาสัพพิเตโยวีวาดการตูสัพพะโรโค มีนาตสตุมาเตภวะตมันตาราโยสุกีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนาสีริชนิจังอุทาปจายโนจัดสารโธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุข้างอารางทองเราได้เจ็ดบาทแล้วนั่นเนี่ยเหร เอกี้นี่สองบาทตอนนั้นผมห้าบาทนะมันเปลี่ยนบาทแล้วหนึ่ทองสิบสามบาทครับผมนะสิบาบาทครับผมนะบาทวันนี้ครับผมมาจากไหนอีกล่ะมาทางนี้ครับผมทางนี้5บาทเมกี้นี่ครับผมเพิ่มอีกครัมเ่อีเท่าไหร่เมื่อกี้เนี้ยถนนเพชรบ้าครับผมอันนี้เป็นทั้งหมดสบาทสีสบามสตางค์ครับผมสิามบาท ทิบสาบาทเีพอใจวันนี่คิดสาบาทวันนี้พอใจได้คิดสามบาทนู่นอะไอดำบอกแล้วนะเออปล่อยมันเสียปล่อยมันเได้เวลาแล้วเขาก็อยากออกพวกเขาโน่นเออเอาเก็บนะไหนรับทานได้ยังเราจัดอาหารไว้ให้นะรหนะเออรับทานได้จัดอาหารไร้แล้วรับตาม เรื่องเต็มไมไ่เต็มครับไมเต็มนะครับอ่ระยะนี้เอ้วันวันนี้วันเสาร์น่าจะเต็เขาเครื่องใหญ่มาเขาเอาเครื่องใหญ่ครับเขาเขาอาจมันอาจจะมีคนทางนี้มากนะคือทางโน้นมันเตยมคนตามแด่เขาติดต่อมาแล้วว่าทางนี้มากแล้วเขาเอาเครื่องใหญ่มาแล้วรับไปตามนิดเต็มไปเลยคร่างั้นก็ได้น่ไอ้จีไหม ไอ้กี้เนอะไอ้กี้เขาดูก็ท่าได้ไอ้กี้เนี่ยมันมันมีแต่แปลกอยู่ไอ้หมาตัวนี้นะเ น, นี่ยไอ้กี้เนะี่ยนั่นแหละได้พาแล้วเป็นไม่ถอยแล้วมาแล้วมาแล้ ว, ลวทุ่มทมทยหมาตัวนี้ก็แปลกแบบมันได้่าแล้วข้าวิ่งปวดเขาเลยแล้วพอเขาจับปั๊บบูแสดงว่าแรงงานฟัดเลยเออโลดนุไปแล้ว เดี๋ยวเอามาให้แก่ันนะม่ต้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แจกเอามานี่ก่อนต้องแจอแจกก่อนแจกก่อนอ่ามีอะไรบ้างแจกน้องงานนี่แจกเรื่อยๆนี่เขานาดีมากไม่ได้เรื่องไม่ได้ให้วันทุกวันเพราะเขานาดีอ่า นี่อะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้หลายอย่างไลยไปทางด้านขวาหน่อยกนแต่ทั้งวันมีอ้าวอันนี้ได้ทุกวันไม่ให้วันนี้อ้าวมันต้องอย่างนั้นทีทำต้องเป็นอย่างนั้นทำทำต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้คนนั้นเชื่อเลาขาอ้าวอาว่อเนี่ยเนี่ยอาเอาไปนั่นแต่ทางนี้ทางด้านตะวันตกนี่ ด้านตรงต่อไปเรื่อยๆแล้วต่อต่อ่ต่อไปเรื่อยๆ่าง้เอาด้าเยอะองลเอานี่หาดสก็เอาเอาะงนะเนี่ยเอามาามาานี่ยีนั่นคนคนออนี่มันจะห่อเตาหรือมันเบาๆนี่ มีของครัมีของข้างในนี่มันจะไมเบามากอ่ะเหมนแล้วนะเหมนแล้วครับผมหมดนแล้วโอ้ยมันเบาอันนี้เบาเอาโยนมาให้เอาอันนี้เอาเบาอ่าะไปแล้ววนี้เก้าโมงแล้ววะโอ้หนาวไม่ได้ดูตลอดมันคงจะขึ้นลงอะไรสิบห้าหรมั้วันนี้ว่าสิบสามวันนี้ว่าห3นว่าสิบสามครับผม มันอาจจะต่างกันบ้างในะสถานที่นะเช่นอย่างอุดรกับที่นี่มันผิดกันสิบขีดนะเช่น อ, อุดรสิบสีทนะ่ที่นี่เพียงสิบขีต่างกันออยู่ที่นัานกต่ที่นี่ก็ไม่ไกละนะแล้วนะสิบสาเนินเนี่ยนะสิบสามวันนี้เราไปดูกันนะขอเราอยู่ที่ต้นต้นเส า, ต, สาติดไว้ตรงเสาเมื่อวานเมื่อวานเราไม่ได้ดู วันซืนนี่ที่มันหนาวที่แรกเลยลงลงสิบห้าแน่ <c oughs> มันอยู่ตู้แข็งอะเต่าเต่ อ, ตอไมันจะไม่ได้ต่อยมันก็เห่าพวงเงี้ยมันยังไงกันมันเรียงนิชาห่าวันตั้งแต่วันนั่นเหนือ ตอนลาเดนแล้วเอาเริ่ออจนะาาูนี่แล้วอนนออเอาเนี่ย <c oughs> นนี่ก็ค่อยดีขึ้นอันนี้แหละรุนแรงมากนะแขนนี้ถ้าไม่ใช่ท่านสุบูรแล้วเราต้องไปเอ า, าพาดแม่นอน <c oughs> แต่นี่ท่านสมบูรณ์ท่านละเอียดอ่อมากการนวดจึิงรู้ทุกแง่ทุกมุมเลย จับตรงไหนถูกถูก เ, เ, เมื่อจับถูงนั้นเราก็ปล่อยว่าพ่จิตเหมือนเราแขนขาดไปเลยนั่นไม่ใช่ธรรมดานะนคือตรงไหนที่มันเจ็บมากนั่นละมันแข็งที่สุดถ้าไม่ทำแรงมันก็ไม่ถึงมันมันก็ต้องปล่อยทีเอาเลยวะเราบอกเอาเลยสั้นลงไป สั้นลงไปแล้วยังไรแล้วตรงนั้นแหะตรงนั้นแหละคือตรงไหนที่เจ็บมากๆนั่นแหละมันแข็งตรงนั้นเราบอกเออตรงนั้นแหะตรงนั้นแหะให้ท่านฟาดลงไปหนักๆบางทีท่านก็เตือนเราโถ้าแรงกว่านี้มันจะอักเสบคือเราปล่อยขนาดนั้นล่ะคําปล่อยขนาดหมอเตือนอืมคือมันเจ็บตรงไหนนั่นแหละคือมันแข็งตรงนั้นเราก็บอกเลยว่าเออตรงนั้นแหะตรงนั้นแหะธรรมดาหมอก็ต้องฟาดลงไปเลยใช่ไหมท่านสมบูรณ์ไหมนะเพราะท่านก็ กะกำหนดพอดีลงท่านแล้วหนักตลอดแล้วที่พอไปถึงจุดสำคัญเราบอกเออตรงนั้นตรงนั้นแต่ว่าให้ท่านขนาบลงไปอีกโอ้ท่าแรงกว่านี้มันจะอักเสบเอแต่อย่างนั้นแต่อย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านแหละแล้วก็ว่าเ <c oughs> ออเป็นอะไรนี่อห <laughs> มาเราก็น่าฟังกันนะ <c oughs> นั่น่ะ <c oughs> เรารักทั้งหมาลักทั้งขวน <c oughs> <c oughs> คนก็ลักหมาก็รักกว่าเอ เนี่ยที่พี่ว่ามันเพาะเต็มได้นี่เพราะเพราะเพราะนวดให้ถึงกันนะถ้าไม่งั้นเราจะเป็นอัมพาตแน่เลยนี่มันรุนแรงมากนะถึงขนาดที่ว่าพอนวดเต็มที่แล้วนี่พอหยุดนวดนี้ลุกไม่ขึ้นเลยนะมันตายหมดเพราะเราปล่อยเต็มที่เลยคำว่าเจ็บปวดยังไงไม่ทราบคือไม่มีเ อ, ออะออะ <c oughs> มันซัดแต่ลงไปสัดแต่ลงไปเต็มเหยานี่นะพอหยุดแล้วลุกไม่ขึ้นต้องมาโจโอุ้มยกขึ้นพอขึ้นนั่งแล้วยกขึ้นอีกให้ยืนพอยืนแล้วที่พอมายืนแล้วมันก็ทรงตัวพอทรงตัวแล้วก็มีกําลังแล้วก็ก้าวเดินได้มันก็นาดนั้นนะลุกไม่ขึ้นเลยหนักมากขนาดแล้วการนวดของเราเอา อท่านตั้งถามท่านนุบูลการนวดเส้นแบบผมนี่มีที่ไหนบ้างถามที่นวดแบบนี้แล้วผู้ผู้ให้นวดทนได้แบบนี้มีที่ไหนบ้างท่านบอกโอ้ยไม่มีเลย <laughs> ไม่มีมีหลวงปู่ อ, องค์เดียวแือว่านอกนั้นลองจา้จาวจ้ <laughs> เดี๋ยวอย่งอางอาจารย์เพลง น, นี้ยิ่งยิ่งรองจา้าวยังไม่ถึงเครื่องเลย <laughs> ลองจา้าวยังไม่ถึงครึ่งอนะ่รขนาดนั้นฟังอาจจะไน้องหลายฟันเก็บหรือไม่เก็บก็ฟังเลยนียว่าการนอตเช่นก็ไม่มีในบัญชีเหมือนกันปล่อยเลยจะวัดเต็มอย่าวเลยไป้าโมงก้มงกว่าละเริ่มกันละ แล้ค่อยดัะรเาเอ้เอาเอาทำเนี่ยอะไรปอยู่ไม่ไปอยู่นี่เราจะไปเราจะไปไปไม่ไปอยู่นี่ไปแล้วทีท่โตโตโตโ Masha Allah <laughs> <laughs>